มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาสัตมวักวัสสะสตะปัญหาที่สองถามว่า ถ้าทำบาปตั้งร้อยปีครั้นใกล้ตายระลึกถึงพระพุทธคุณตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ได้จริงหรือราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาตุ้มเหพระนทธพระผู้เป็นเจ้ากล่าวถ้อยคำดังนี้ว่าบุคคลผู้ใด ทำแต่บาปอากุศลจนอายุได้ร้อยปีเมื่อความมรณะมาถึงตัวจะใกล้ตายนั้นมีสติระลึกถึงพระพุทธคุณครั้งเดียวเท่านั้นครั้นกระทากาและกิริยาตายได้บ่ายหน้าไปบังเกิดในสวรรค์เทวโลกตกว่าคำนี้ณสนะัทธาหามิโยมจะเชื่อหามิได้นี่ข้อหนึ่ง ยังอีกข้อหนึ่งเล่าพระผู้เป็นเจ้าว่าบุคคลผู้ใดกระทําปานาติบาตไว้แต่ครั้งเดียวก็ไปสู่นรกตกว่าคำคำนี้โยมจะได้เชื่อหาไม่ได้พระนากเกษรจริงแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารพระองค์ทรงสันนิฐานเข้าพระทัยอย่างไรจึงถามฉะนี้ อันบุคคลกระทําการปานาติบาตตกรรมครั้งเดียวมิได้กระทําการกุศลไว้ครั้นกระทําการและกิริยาตายบ่ายหน้าไปเกิดในนรกเปรียบดุดก้อนศิลาอันน้อยบุคคลใส่นาวานาวาก็พาศิลาลอยอยู่เหนือหลังน้ำได้และศิลานั้นถ้าบุคคลยกหยิบวางลงในคงคาถึงว่าศิลานั้นน้อย ก็มิอาจจะลอยอยู่เหนือหลังน้ำได้หรือว่าศิลาน้อยนั้นจะลอยอยู่ได้ณนะบ่อพิษพระราชสมพาน์พระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าณหิพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าศิลาน้อยตกน้ำจะลอยอยู่หามไม่ได้พระนาคเษนจึงสักถามต่อไปว่ามหาราชา ดูราณนะบอพิษพระราชาสมภารถ้าหากว่าเอาศิลานับด้วยรอยเล่มเกวียนบรรทุกไว้ในสำเพาอันใหญ่จะพากันลอยอยู่ได้หรือไม่นะบอพิษพระราชาสมภารพระเจ้ากรุงมิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชโอการรับว่าอามะพันเตกระนั้นสิพระผู้เป็นเจ้าอาจจะพากันลอยอยู่ได้ พระนาคเกด็จึงมีเถระวาจาถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารศิลานั้นปานดุดกุศลกรรมนาวานั้นดุดกุศลกรรมถ้ากุศลกรรมไม่ได้รับรองอยู่แล้วก็ไม่อาจจะพาลอยไปได้ก็จะจมอยู่ในอบายทั้งสี่ถ้ากุศลกรรมรับรองอยู่แล้วก็จะพาลอยไปได้เหตุดังนี้ นราชาติมีแต่ประมาทกระทําอกุศล ก, กรรมเนื่องกันไปก็จะมาเข้าทุกทีทุกทีดุดนาวาอันเพียบด้วยศิลามีแต่ว่าจะมาจมลงในสมุทรสาครเหตุดังนั้นท่านนักปราชญ์แต่ก่อนจิงวิทย์ซึ่งนาวาอันกล่าวคืออาตมาให้บางเบาจากอากุศลมิให้เหลือเศษเข้าสู่นิเวศมหานครเมืองแก้วอันกเกษมสาร คืออมตะมหานิพพานขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นกษัตริย์ได้ทรงฟังพระหน้าเกษมองค์พระอรหันต์วิสัชนาแก้ไขมีน้ำพระทัยสมณตรัสว่ากันโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้ววัดสะสตะปัญหาเป็นคำรบสองจบเท่านี้